เปล่งเสียงอนุโมทนากับอนุโมทนาเงียบๆต่างกันอย่างไรถามส่วนมากเวลาใครทำความดีหรือทำบุญแล้วเราก็ร่วมอนุโมทนาด้วยอย่างนี้อยากทราบว่าถ้าใจเรารู้สึกอนุโมทนาไปด้วยจริงๆแล้วถือว่าเพียงพอไหมคือจะชอบยินดีอยู่เงียบๆแบบไม่ออกเสียงมีผลแตกต่างกับคนที่เขาออกเสียงแค่ไหน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 สรุปคือหลักจริงต้องมีใจยินดีถึงแม้ปากขยับงั บ, งบว่าอนุโมทนาหรือเปลงวาจาทานองยินดีไปแกนถ้าว่าใจไม่ประกอบด้วยโสมนัสอย่างนี้ก็ไม่นับว่าได้บุญอันเกิดจากการอนุโมทนาครับแถมถ้าสักแต่เอ่ยปากบอกอนุโมทนาโดยปราศจากใจยินดีบ่อยๆก็อาจมีผลข้างเคียงในทางลบคือเหมือนคุณไปสร้างนิสัยแกล้งยินดีระยะยาว จะเป็นคนทําบุญด้วยใจแห้งได้คราวนี้มาพูดถึงการอนุโมทนาบุญเต็มรูปแบบคือใจยินดีมีโสมนัตนำด้วยมีแกะใจใช้แก้วเสียงเปล่งวาจาให้ผู้อื่นรับรู้ว่าจิตเราเป็นกุศลร่วมกับเขาด้วยอย่างนี้คือได้ทั้งกุศลอันเกิดจากมโนกรรมและวจีกรรมรวมกันยิ่งทำเนียมคนไทยมีการพนมมือไหว้ตัวบุญ ถ้าอ่อนช้อยน้อมจิตตนจิตท่านให้เจริญในภาพเย็ยนตาเย็ยนใจเสริมเข้าไปอีกก็เรียกว่าได้ทั้งกุศลจากกายกรรมครบสูตรครับคุณจะเป็นนักอนุโมทนาตัวโยงในเร็ววันด้วยอาการครบพร้อมดังกล่าวนั้นผลของการแสดงออกทางวจีกรรมและกายกรรมจะทําให้เป็นผู้อาจหารในการประกาศบุญมากกว่าเก็บเงียบ ซุ้มเสียงของคุณจะฟังน่ารักน่าเอ็นดูสำหรับเจ้าของบุญมีส่วนทำให้เกิดความเรื่นเริงบันเทิงใจกระชับมิตรกันและเป็นการจูนจิตให้ตรงกันยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่หมายความว่าถ้าร่วมทำบุญอย่างมีใจยินดีพร้อมเพรียงบ่อยๆด้วยกายวาจาที่เปิดเผยบุญนั้นจะก่อความสัมพันธ์ชันมิตรสนิทให้รู้สึกแน่นแฟ้นต่อกันอยากคุยกัน อยากเห็นหน้ากันอยากร่วมทำอะไรดีๆ ด, ด้วยกันอีกเรื่อยๆด้วยยิ่งไปกว่านั้นยังมีผลข้างเคียงในทางบวกที่ควรพึงใจแบบโลกโลกกล่าวคือถ้าถึงเวลาให้ผลของบุญนั้นแล้วหากทำกิจการหรือธุรกิจร่วมกันเป็นหุ้นส่วนกันก็จะเบ่งบานออกดอกออกผลรวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์ทั้งที่มาจับคู่เข้าหุ้นกับผู้อื่นก็ไม่เห็นออกดอกออกผลเช่นนั้นเลย ปัจจุบันมีการส่งอนุโมทนาบัตรหรือมีการร่วมอนุโมทนาผ่านตัวอักษรบนอินเทอร์เน็ตกันเยอะการได้เห็นแต่คำว่าอนุโมทนาเฉยๆนั้นบางทีคนอื่นก็ไม่สามารถสัมผัสกระแสใจเราเหมือนตอนสัมผัสกระแสเสียงกันได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีก็อาจเสริมคำเข้าไปสักเล็กน้อยว่าเรามีใจคิดอย่างไรจึงอนุโมทนาตรงนั้นจะได้ไม่เป็นการทาให้คนอ่านเขารู้สึกว่า เราสักแต่พูดเฉยๆโดยปราศจากความหมายครับ